ทุกนี่เมื่อเรามั่งเราต้องดูลงไปที่ตรงนี้และก็บปฏิบัติไปที่ตรงนี้ผลมันออกมาเรียกว่ามีโลดพ้นไปจากทุกพ้นไปจากการปรุงแตกพ้นไปจากการยึดถือพ้นไปจากการมีโทสะโมหะโลภพ้พนไปจากการยึดมั่นถือมั่นพ้นไปจากสิ่งทางปวงนั่นท่านเลยว่านี่โลดแปลว่าความพ้นไป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 ดังนั้นคนใดรู้ทมเห็นทำเข้าใจทำแล้วจึงทำการทำงานไป ต, ตามหน้าที่ไม่มีความเกียจค้านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่ว่าให้เราจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญแปลว่าทาให้มากเจริญแปลว่าทำให้มา ก, า ท, ำมากทำมากมันก็จเจริญขึ้นมีขึ้นมากขึ้น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 ไม่เสยมาปฏิบัติและไม่ได้อย่างนั้นเราก็เราว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติมาแล้วอันนั้นไม่เป็นการคัดคิดเทรานั้นสมมติว่าเราอยู่ที่นี่เรานอนตื่นขึ้นมาในระยะตอยเช้าตีสี่สามสิบเรามาทำวันเท้าถ้าออกจากที่นี่ไปแล้วตีสี่สามสิบเราก็ยังตื่นไม่ได้ลุกไม่ได้อันนั้นเพียงว่ามาอยู่ที่นี่ กฎระเบียบวินัยวัดนี้ต้องบังคับให้ทาอย่างนั้นเราก็ต้องทำได้ถ้าออกจากที่ไปเราทำไม่ได้อันนั้นสว อ, อยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเพราะว่าอาศัยอำนาจผมคูให้เราทำอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติจริงๆถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆเราไปอยู่ที่ไหนสำนักใดวัดไหนก็ตามหรือเราสุขออกไปเป็นครวาวาพวกรองเรือน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 เนี่ยการทำทำอย่างนี้มันมีกำไรซีบิทมันนี่มันคิดมาลอยเรื่องเราได้แปดสิทมันเหลืออยู่ยี่สิทธิ์เท้ามันคิดขึ้นมาลอยเรื่องเราได้เก้าสิทมันคิดขึ้นมาลอยเรื่องเราได้ทุกทีทุกทีโอเคว่าลู่เท้าลู่ทันลู่กันลู่แก่ลู่จักอัสนะมันได้อันนี้เป็นคำพูดแต่ว่าตอนรู้ต้องรู้อย่างนี้จริงๆผมเข้าใจอย่างนั้นจริงมันคิดขึ้นมาปุ๊บลู่ทันทีเหมือนแมวกับหนูเนี่ยพอดีหนูออกมาแม่มันจะพุกทันที